ก็สัมผัสได้กาแฟมืออบอุ่นของพี่ชายใหญ่ที่เอื้อมมากุมหลังมือของหล่อนไว้แล้วบีบเบาๆมีเสียงกระซิบบอกมาว่าน้อยถ้านอนไม่หลับหรือว่าหลับไม่ลงก็สวดมนต์ภาวนาไปและจะได้หลับได้ไงดารินนอนนิ่งไปอีกในฉับพลันนั้นเชษาวราริ์อันหล่อนคิดว่าเขาควรจะหลับไปนานแล้วยังคงเป็นผู้เฉียบไว เข้าทันต่อความคิดในใจของน้องสาวคนเล็กอยู่เสมอไม่เคยเสื่อมบุคลิกพิเศษชนิดนี้ของเขาไปเลยดารินรู้สึกใจหายว่าไม่ทราบว่าพี่ชายใหญ่จะอ่านลึกมองเห็นตลอดไปถึงสิ่งที่หล่อนได้เผชิญมาเพียงไรหรือไม่ยากที่จะคาดคะเนหรือเดาถูกเพราะเขาเป็นคนฉลาดคมลึกซึ้งและเก็บงำความรู้สึกได้มิดชิดที่สุด สิ่งที่หล่อนจะทำได้ในขณะ น, นี้ก็คือพยายามสงบดวงจิตอันฟุ้งซ่านและสะกดตัวเองให้หลับตามคำสั่งราชสกุลสาวมารู้สึกตัวอีกครั้งแสงตะวันสายสาดเข้ามาจับอยู่ที่เปลือกตาหญิงสาวเอามือป้องไว้แล้วดึงกายลุกขึ้นนั่งพอลืมตาขึ้นกวาดมองไปรอบๆก็พบว่าตนเองตื่นสายกว่าทุกคน พ ร, รอบด้านอันเป็นบริเวณที่พักนั้นพวกพี่ๆและลูกหาบทั้งหลายกำลังปฏิบัติภารกิจกันอยู่แสดงว่าคงจะต้องตื่นขึ้นมาก่อนนานแล้วคนเหล่านั้นคงจะมีเจตนาปล่อยให้หลอนนอนพักหลับตามสบายโดยไม่ปลุกและไม่มีวี่แววว่าจะเร่งร้อนเคลื่อนย้ายนั้นอินและขยินเป็นผู้นำหลอนเดินอ้อมเนินดินอันอยู่ไม่ไกลจากที่พักนัก ไปยังแหล่งทาน้ำบนซอกเขาซึ่งเข้าใจว่าคงจะเกิดขึ้นจากการทลักขึ้นมาของน้ำเบื้องล่างโดยแรงสะเทือนของแผ่นดินไหวเมื่อบ่ายวันนี้เป็นน้ำที่มีลักษณะขาวคล้ายน้ำนมแบบเจือจางแต่ก็จืดสนิกมีกลิ่นกรมฐถนปาา บ, บนอยู่บ้างเล็กน้อยภายหลังจากใช้เวลาเพียงไม่นานหล่อนก็ชาระสะสางร่างกายจนสะอาดหมดจดโดยสักแม้กระทั่งเส้นผม รู้สึกสดชื่นแจ่มใสและมีกำลังกลับคืนมาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางจิตประสาทดารินเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่และซักชุดเก่าเรียบร้อยแล้วก็ตรงกลับเข้ามายัางคณะทั้งหมดที่ดูเหมือนว่าทุกคนจะรอคอยหล่อนอยู่ก่อนแล้วเพื่อการตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อไปดารินตรงเข้าไปทักทายพวกลูกหาบทุกคนพร้อมทั้งกล่าวขอบใจจากใจจริงเพราะเมื่อบ่ายวันนี้ หล่อนยังไม่มีโอกาสที่จะพูจากัะคนเหล่านี้ได้ทั่วหน้านักเนื่องจากหลับไปซะก่อนด้วยความอ่อนเพลียทุกคนของพวกลูกหาบยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความ ย, ยินดีอย่างบริสุทธิ์ใจที่ได้ตัวหล่อนกลับคืนมาซึ่งเขาเหล่านั้นแต่ละคนก็ล้วนมีส่วนในการติดตามโดยไม่ย่อท้ออยู่ด้วยกันทั้งสิ่นนายหญิงสบายใจเหอะพวกเราทุกคนนะเคารพรักนายหญิง ถึงเราจะไม่มีความคิดไม่มีปัญญาเราก็มีแรงมีใจสู้พวกเจ้านายจะเอายังไงเราก็เอาด้วยตายเมื่อไรที่ไหนได้ทั้งนั้นนายชวนหัวหน้าลูกหาบกล่าวแทนแก่เหล่าลูกหาบทุกคนด้วยภาษาชาวป่าชาวเขาของเขามันอาจจะห้วนสั้นไม่ไพเราะในรูปประโยคแต่ความหมายของมันแสดงถึงแก่นลึกของหัวใจออกมาอ่านได้ช เกนจากสีหน้าและแววตาไม่เสียแรงที่พวกเราทุกคนเป็นลูกหนองน้าแห้งเป็นคนของระพินขอให้รู้ไว้ด้วยนะว่าฉันรู้สึกในความจงรักภักดีรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณของทุกคนเกินกว่าที่จะพูดออกมาได้ดารินกล่าวด้วยน้ําเสียงใสเข้มกลางวานแม้จะเบาขณะที่เข้าไปจับมือพวกลูกหาบเหล่านั้นจนทั่วหน้าทีละคน าการจับของนายหญิงบีบแรงหนักหน่วงยิง่งนายหญิงก็แข็งแรงดีเหมือนเดิมแล้วเนอะขอรับนายชวนถามขึ้นยิ้มยิ้มแทนคำตอบดารินกําหมัดขวาชูขึ้นแล้วชกหมัดต่อยในช่วงสั้นๆเฉียวปลายคางของหัวหน้าลูกหาไปนิดเดียวพลังหัวเราะทุกคนปล่อยหัวเราะคลื่นตามไปด้วยบรรยากาศเต็มไปด้วยความแจ่มใสร่าเริง สภาพของความตึงเครียดขีดสุดที่ต่างได้รับกันมาถึงสมวันเต็มๆได้คลี่คลายบรรเทาลงแล้วขณะนั้นก็มีเสียงดีดนิ้วแรงๆดังมาจากตำแหน่งที่เชิดทาชัยยันและอนุชายืนรวมกลุ่มกันอยู่พอหันกลับไปก็เห็นอนุชากวักมือเรียกหล่อนหล่อนจึงเดินตรงเข้าไปนี่ทุกคนกินอาหารเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เธอคนเดียวเท่านั้นแหละรีบกินจะ หลังจากนั้นเราจะเคลื่อนย้ายกันต่อแล้วนะและนี่พี่ลาก็พวกเราทุกคนกำหนดเส้นทางไว้แล้วหรือคะหล่อนถามขณะที่กินอาหารมื้อแรกแห่งวันไปตามมีตามเกิดแต่ถึงยังไงมันก็ยังดีกว่าพวกเผือกมันหรือกล้วยป่าที่ประทังชีพระหว่างพลัดพรากจากคณะออกไปก็<ม>กำหนดไว้คร่วคราวๆก่อนเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราจะหารือกันอีกทีนึงเพื่อวางเข็มให้แน่ เราพลาดรอยของฝ่ายระพินตั้งแต่ตอนเหยียบเข้ามาในนรกดำแนละต่อไปนี้จะต้องเป็นเรื่องอ่านใจกันและพยายามหาวิธีก้าวสกัดดักไปเป็นระยะระยะเราจะไม่ใช้วิธีค้นหารอยก่อนแล้วแกะตามไปข้างหลังซึ่งแบบนั้นมันไม่มีวันจะตามทันนะ่ะผู้ตอบหล่อนเป็นพี่ชายใหญ่ขณะนั้นทั้งสามชายกาลังยืนรวมกลุ่มใช้กล้องส่องทางไกล สำรวจไปยังเนินเขาที่ถล่มทลายลงด้วยอาการไหวตัวของแผ่นดินเมื่อบ่ายวานนี้ซึ่งยามที่แสงตะวันสาดสว่างไปทั่วแล้วเช่นนี้ทำให้มองเห็นภูมิประเทศได้อย่างถนัดมันคงมีอาการค่อยๆ ย, ยุบตัวลงไปอีกอย่างช้าๆและนิ่มนวลจนไม่รู้สึกในคืนที่ผ่านมาเพราะรอยร้าวฉานแตกแยกเป็นริ้วระแหงที่เคยมองเห็นอยู่ทั่วๆไป บัดนี้ส่วนใหญ่ได้เคลื่อนสนิทเข้ามาชิดกันแล้วเหมือนจะเป็นการกลบโพรงถ้ำใต้ภูเขาไว้อย่างมิชิดโดยไม่เปิดโอกาสให้ใครขุดค้นหรือแลลอดลงไปเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ได้อีกดารินถือจานพลาสติกที่บรรจุข้าวร้อนๆกับเนื้อย่างรมควันลุกขึ้นมายืนกินมองตามคนเหล่านั้นไปด้วยตาเปล่าของหลอนุบปากสนิท ไม่มีโอกาสที่จะบอกได้เลยว่าเบื้องล่างต่าลงไปยังเนินที่ลัถล่มนั้นหลอนได้เข้าไปพบอะไรบ้างขณะ น, นี้สามชายกำลังหารือกันเองเบาๆโดยมีหนานอินนั่งยองๆ อ, อยู่ใกล้ๆจากสัมผัสของหลอนพี่ชายทั้งสองและช ย, ยันรู้สึกว่าจะมีข้องติดหรือสงสัยอะไรหลายๆอย่างที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ยอดเขาลูกนั้นเป็นอย่างมาก สองสามครั้งระหว่างที่หารือกันเองมีการซุบซิบชำเลืองมาที่หลอนแต่ก็ไม่ได้เอ่ยเป็นคำถามใดๆให้หล่อนต้องลำบากใจที่จะตอบมีอะไรน่าสนใจมากไปกว่าที่พวกเราพบเห็นเมื่อวานนี้หรือคะหล่อนแกล้งอย่างเสียงอนุชาหนิ่งชยันยักไหล่นิดนึงแต่เสียงต่ำๆของพี่ชายใหญ่บอกมาโดยไม่หันมาทางหล่อนว่า เมื่อตอนเช้าตรู่พวกเราไตา่ขึ้นไปสำรวจบนยอดเนินถล่มนั่นอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่พบร่องรอยรูโพรงที่เราระเบิดไว้เพื่อเป็นทางโรยเชือกหย่อนตัวลงไปเอาน้อยขึ้นมาเลยหินน่ะมันถล่มลงมาปิดทางซะหมดแล้วจนจำไม่ได้ซะด้วยซ้ำว่าตำแหน่งไหนที่พวกเราวางระเบิดไว้และบริเวณทั่วไปก็มีรอยหดของพื้นดินเข้ามาชนก่ายเกยกัน ยนมองดูเหมือนใครเอาอีเตอร์ยักษ์มาทุบทำลายลักษณะเดิมเสียหายกลายเป็นกองหินครุกระไปทั่วแล้วก็มีระดับลดต่ำลงมากกว่าเดิมมันฝังกลบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ข้างใต้สนิท ด, ดีแล้วกันประเดี๋ยวน้อยขอเข้าไปดูมั่งได้ไหมเชฐาสั่นศีสะอย่าเลยป่วยการเสียเวลาเปล่าพิคิดว่าไม่มีอะไรที่เราจะต้องสนใจกันที่นี่อีกแล้วละ่ะ สิ่งที่เราจะต้องทำรอคอยอยู่ข้างหน้ามากมายนะทุกสิ่งทุกอย่างของนรกดาเป็นปริศนาที่ไม่อาจจะตีความออกเป็นความลี้ลับที่ปราศจากคาตอบเป็นอจินตายคือคิดค้นหาข้อสรุปไม่ได้ถ้าไปมัวคิดก็จะบ้าตายซะก่อนได้ตัวน้อยกลับคืนมาในสภาพที่ปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นได้ว่ามันไรจะไม่มีโอกาสมารังควานเราได้อีก ก็เป็นความพอใจที่สุดแล้วกลุ่มหมอกรึควันยังลอยกลุ่นจางๆขึ้นมาจากกองหินถล่มพเนินเทินทึกของเนินลูกนั้นแม้ยามแดดกล้าเช่นขนาดนี้แล้วก็ยังมองเห็นได้ชัดลักษณะของมันไม่ใช่ฝุ่นแต่น่าจะเป็นไอระเหยของอะไรสักอย่างที่ลอยลอดช่องหินแตกพังเหล่านั้นขึ้นมาลากน มหาปราสาทจิตรางคนางและอุทยานสวนสวรรค์ของข้าลากรดวงวิญญาณของท่านปุโรหิตมันไรข้ามองเห็นแล้วในความสเสน่หาและผูกพันเฝ้ารอคอยมานานของท่านแต่ระหว่างข้าและท่านเราหาใช่คู่ของกันและกันไม่ ข้าจึงต้องลีกหนีหน้ามาทุกชาติทุกพบเช่นนี้ดารินรำพึงอยู่ในใจขณะรีตามองดูกลุ่มหมอกควันเหนือเนินตำแหน่งนั้นมาสะดุ้งตื่นจากผวางังเมื่อฝ่ามือหนักๆของพี่ชายกลางตบลงมาที่ไหลพร้อมกระทักว่าเอาถือจานข้าวตาค้างอยู่นั่นแหละน้อยกินเร็วๆเเถอะพี่จะสั่งเก็บของแล้ว ดารินรู้สึกตัวยิ้มเศร้าและอิ่มทันทีเมื่อนั้นอนดีตพรานชุดจึงหันไปสั่งการกระนานอินและขยินข้าวของสัมภาระเริ่มเก็บในทันทีเตรียมการย้ายทุกคนเตรียมออกเดินทางเมื่อเวลา10นาฬิกานาทีระหว่างที่เวียงเป้ขึ้นพาดไหลและก้มลงผูกสายรัดซองปืนสั้นที่ต้นขากันแกว่ง ดารินเหลียวมองไปรอบแล้วอุทานออกมาว่าอ่ะเอ๊ะนี่เจ้าด้วนหายไปไหนนี่นี่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าวันนี้ใครเห็นเจ้าด้วนบ้างไหมเอออย่าเพิ่งไปสนใจรมันก่อนเลยตอนเนี้ยมันก็คงจะไปหาอะไรกินตามเรื่องของมันละไม่ต้องรอมันให้พร้อมหน้าพร้อมตาก่อนหรอกเมื่อเราจะเดินเราก็ออกเดินมาเดี๋ยวก็เจอมันเองแหละไม่ที่ใดก็ทีหนึง่ง ในหนทางที่เราตัดสินใจบ่ายหน้าไปจำไว้อย่างเดียวเลย ว, ว่ามันนไม่ใช่คนมันเป็นช้างป่าไอเรื่องหลงพลัดหรือตามรอยเราไม่ทนันมันไม่มีวันหรอกเว้นแต่มันจะเจตนาแยกทางไปเองน่ะก็ช่วยไม่ได้เหมือนเหมือนอย่างที่เราได้พูดกันเมื่อคืนนี้แล้วอะชัยันตอบมาดารินเริ่มรู้สึกกระสับกระส่ายหล่อนไม่สบายใจเป็นอย่างมากเหตุผลที่ชยยันบอกมามันก็ถูก ตลอนไม่อยากจะเห็นมันหายหน้าไปจากคณะทั้งหมดเลยมองไปทางพี่ชายสองคนก็ไม่เห็นมีใครแสดงความเห็นหรือรู้สึกกังวลอะไรหลอนจึงเดินตรงไปที่นั้นอินผู้กำลังบงการเก็บเข้าของอยู่ลุงเจ้าด้วนหายไปไหนลุงรู้ไหมเนี่ยลุงพรานเท่าเงยหน้าขึ้นเห็นฟันข้างหน้าลอ มันลงไปรอเราอยู่ในป่าล่างแล้วล่ะนายหญิงเพราะข้างบนเนี่ยไม่มีอาหารสําหรับมันเลยออกไปเมื่อใกล้ฟ้าสางอะ่ะเดี๋ยวก็พบเองอะ่ะเพราะเราจะมุ่งหน้าไปยังโดงข้างล่างอยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีอะไรมาทํำร้ายเจ้าด่วนได้อีกแล้วล่ะนายหญิงช้างป่าทุกตัวที่เราพบต่อไปน่ะจะเป็นช้างป่าธรรมดาไม่มีมนตราอาคมใดๆมาสะกดสั่งงานได้อีกแล้ว แล้วนี่เราจะมุ่งหน้าไปทางด้านไหนหรือจุดไหนเป็นแห่งแรกเนี่ยยังไม่มีใครบอกใช่เลยอ่ะลุงพรานเท่านันอินนั่นก็ดีอยู่อย่างหนึง่งและเป็นความดีสำหรับหล่อนยิ่งกว่ารพินหรืออดีตพรานชดพี่ชายกลางของหล่อนจะอีกในข้อที่ว่าในป่าแล้วถ้าหล่อนมีคำถามหรือสงสัยอะไรแกก็จะบอกให้ไม่ทำเป็นเย็บปากอมพนมให้มีน้ำหู ในหญิงต่อไปเราก็จะบ่ายหน้าขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือตลอดละ่ะถ้าจำเป็นต้องอ้อมหรือปลีกทางที่ผ่านตัดตรงไปไม่ได้พอเราพ้นทางลำบากนั่นแล้วเราก็จะต้องหันขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือไปเรื่อยๆก็เหมือนตอนที่นานอินนำทางพลานชดไปค้นหาขุมเพชรพระอุมาในครั้งนั้นน่ะในชดมีแผนที่เก่านานอินมีขมองที่พอจ้า ได้เอามาผสมกันราชสกุลสาวอึ้งไปขณะจิตหนึง่งเสียงที่กล่าวต่อมาของหล่อนเกือบเป็นเสียงกระซิบนี่ทั้งลุงอินและพี่กลางอะแน่ใจแล้วก็ตกลงใจกันอย่างเด็ดขาดแล้วเหรอที่จะมุ่งสู่เทือพระศิวะนะครูพรานคงยิ้มเรื่อยๆอยู่เช่นนั้นอย่างไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งสิน้น นานอินไม่รู้นะและนันอินได้รับคําสั่งจากพรานชดให้นําทางไปทางด้านนั้นน่ะพรานชดน่าจะรู้อะไรดีกว่านานอินจุดหมายปลายทางของเราก็คือเทือพระศิวะเมืองของไอ้แงาซายนั่นแหละแต่ถ้าโชคดีที่จะไม่ต้องเดินกันไกลนะักเราก็อาจจะตามพบนายระพินก่อนในระหว่างเส้นทางนี้ก็ได้นี่ลุงอินถามจริงเหอะ ขณะที่เราทั้งหมดมาอยู่กันที่ตรงนี้ทั้งลุงและพรานชดพอจะสังเกตเห็นลู่ทางหรือมีเครื่องหมายอะไรที่ชี้บอกให้เข้าไปสู่เส้นทางซึ่งเคยเดินผ่านกันมาก่อนนั่นแล้วมั่งไหมแกสั่นหัวผูกของส่วนตัวเสร็จก็เหวี่ยงขึ้นคอนบ่าพลางลุกขึ้นยืนอืนายหญิงพรานชดกรน่ำนี่นนะ่าไม่เคยผ่านที่นี่มาก่อนอย่างที่บอกกับนายหญิงเลยล่ะ ถ้าเดินไปอีกสักสองวันอย่างน้อยเราก็คงจะพอจับสังเกตเห็นทิวเขาที่ช่วยให้จําได้บ้างนะขออย่างเดียวอย่าเบี่ยงออกนอกทิศที่ตั้งไว้กันแล้วกันนน่นายใหญ่โบกมือเรียกมาแล้วเราไปกันเหอะนายหญิงนันอินจะต้องออกเดินนําไปข้างหน้าหนายหญิงก็เดินเกาะหมู่ไปกับนายใหญ่แล้วก็ท่าอ่นายทหารชา ย, ยันกันแล้วกันอย่าแตกแยกไปไหนคนเดียวโดยไม่บอกใครนาะ แกพูดได้เพียงแค่นั้นก็ได้ยินเสียงตะโกนโวกโวกของอดีตพรานชดสั่งการมาพวกลูกหาเริ่มเคลื่อนขบวนแบกหามลงจากซอกเขาตำแหน่งที่พักแรมมาแล้วโดยมีพี่ชายกลางชี้มือกำหนดเส้นทางควบคุมบงการอยู่ตัวเขาเองหลบเข้าข้างทางรอให้พวกลูกหาบเหล่านั้นผ่านไปก่อนครูพรานยิ้มให้ดารินอีกครั้งแล้วเดินดุมดุม อย่างคล่องแคล่วว่องไวผิดไปจากอายุวัยชราของแก่ไล่หลังลูกหาบเหล่านั้นไป <it> เมื่อนั้นเองหล่อนจิงสาวเท้าเข้ามายังกลุ่มของพี่ชายซึ่งดูเหมือนจะรอคอยอยู่ก่อนแล้วนี่อย่าไปตั้งคำถามอะไรกับลุงอินแกมากๆถึงเวลาออกเดินก็เดินแล้วกันแล้วก็จำไว้ห้ามแตกแยกขบวนอีกแหละ พี่ชายกลางพูดมาขึ้งขึ้มเป็นงานเป็นการอีกครั้งประโยคแรกน่ะสอชัดว่ารู้ทันอยู่ตลอดเวลาส่วนประโยคหลังเป็นการปรามค่ะพี่กลางแต่ถ้าน้อยแยกขบวนเมื่อไรก็ขอให้รู้ด้วยว่าน้อยน่ะมีเหตุผลของน้อยเหมือนกันหลอนตอบเสียงขึ้ขึ้งเช่นกันพี่ชายขมวดคิ้วในขณะที่ดารินเดินเฉียดผ่านหน้าเขาจุ๊ปากเบา เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตั้งต้นอวดดีอีกแล้วยันี่น้องสาวคนเล็กของคณะไม่โต้อตอบใดๆอีกทั้งสิ้นเดินตามหลังพวกลูกหาไปอย่างสงบเคร่งขรึมพยายามใช้สายตาพินิษพิจารณาสถานที่ภูมิประเทศแวดล้อมไปทุกขณะเชษฐาชายันและอนุชาเดินรวมกลุ่มกันมาเบื้องหลังห่างออกไปเพียงเล็กน้อยส่วนขยินน่ะ ถูกสั่งให้ไปคุมอยู่รังท้ายขบวนอันเป็นหน้าที่ของมันละหนทางเลาะเรียบไปทางระหว่างซอกตีนเขาสองลูกที่ลาดเข้ามาบรรจบกันบางขณะทอดขึ้นสูงบางขณะก็เส้นทางลิบลิ้วลงไปสู่เบื้องต่ำสองฝั่งเป็นหินภูเขาไฟที่แข็งตัวมาแล้วนับเป็นพันพันปีมีเหล่าวัชพืชเล็กๆงอกแซมอยู่ประปลาย เป็นระยะระยะสภาพของลูกเขาเหล่านี้เปรียบเสมือนเขาหัวโลนปราศจากไม้ยืนต้นหนานแน่นนอกจากนานๆานครั้งจะเห็นต้นไม้ใหญ่ขนาดสยาหรือตะโกป่ายืนต้นโดดเดี่ยวอยู่ห่างไกลออกไปมีโตกตรวยเงื้อมชะ ง, ง่อนหินที่เหลื่อมลำเป็นทิวอยู่ในสภาพของป่าในยุคหินทำให้แลดูวังเวงใจยังไงบอกไม่ถูก ทยันสกิดเชิถาแล้วบุยปากไปยังภูมิประเทศอันงดงามแต่หน้าบวันระแวงเหล่านั้นนี่เชิถาแกจำได้ไหมไอสภาพของป่าแบบนี้อืมมันก็เคยเป็นที่อยู่ของไอจ้จำพวกไดโนที่เราเคยประเชิญกับมาแล้วในครั้งนั้นแต่ขอภาวนาอย่าให้มันโผล่มาอวดโฉมอีกเลยเพราะเอ็มเจ็ดสิบเก้าเอามันไม่อยู่แน่ สมมุติว่าจะมีเจ้าตัวไทแรนโนซอรัสชูหัวขึ้นมาจากหลังเนินลูกใดลูกหนึ่งที่เป็นเนินแวดล้อมเราอยู่อีตอนนี้เพราะตอนนี้เราไม่มีเจ้าพระรามแงซทรายถือธนูแปดสิบปอนติดไดนามามาเป็นหลักประกันให้ด้วยนี่ว่ามันก็น่าแปลกนะเมื่อหวนคิดย้อนหลังตอนที่เราตามกลางไปเราพบสิ่งที่เราไม่คาดคิดสารพัดอย่าง แต่ซอบปากคำจากกลางและลุงอินแล้วปรากฏว่าทั้งสองคนนั้นไม่ได้พบกับสิ่งมหศัศจรรย์พิลึกกึกกือยอย่างที่เราพบเลยนอกจากเสือเขี้ยวดาบกับนครวานนของวายาเท่านั้นอดีตนายทหารปืนใหญ่รำพึงออกมาอย่างสุดฉงนท่านทูตทหารบกนอกราชการซึ่งความจำเป็นบีบบังคับให้ต้องมาบุกบันอยู่ในดินแดนมหศัศจรรย์อีกครั้งตอบด้วยเสียงต่าลึกของเขาว่า มันก็เป็นอาถรรพ์ของไพรพิสดารใช่มากกว่าสิ่งที่เราพบมาแล้วนะ่ะแม้จะยืนยันได้กับสายตาของพวกเราทุกคนมันก็น่าจะสรุปได้ว่าเป็นไปในลักษณะของอุปสรรคหรือมานพจนบันดาลขึ้นด้วยอำนาจลี้ลับเพื่อทดสอบความมานะพยายามของเราเพื่อสกัดกัน้นไม่ให้เราได้ผ่านพ้นไปได้แต่เมื่อเรามีเจตนาแน่วแน่และจริงจังเราก็สามารถผ่านมันไปได้ เชื่อแน่ได้ว่าต่อให้เราเดินทับรอยเดิมไปทุกฝีก้าวกับที่เคยได้ผ่านมาแล้วเราก็จะไม่มีวันได้พบกลักฐานหรือซากโครงกระดูกของพวกไดโนเสาร์ที่เราทำลายมันไว้ในครั้งนั้นเพราะมันล้วนเป็นสิ่งมายาที่ป่าลึกลับบันดาลขึ้นเล่นงานเราในขณะนั้นเท่านั้นเดี๋ยวนี้ฉันพอจะหาข้อสรุปได้แล้วละเชยันอดีตรานชดที่เดินจับกลุ่มไปด้วย ได้ยินคำพูเชิงรำพึงหารือของบุคคลทั้งสองได้โดยตลอดแต่เขาก็ไม่ได้แสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นอัดควันจักก้นบุรี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วดีดกระเด็นไปกระทบแง่หินข้างทางบอกมาทางพี่ชายเสียงเรียบๆว่าผมขอแยกตัวไปเดินกับลุงอินข้างหน้าแล้วกันนะครับเราจะไปกันเรื่อยๆตามสบายไม่ต้องเร่งร้อนอะไรทั้งสิ้นอีกสักครู่จะทดสอบวิทยุเรียกมา ว่าในละแวกนี้เรายังใช้วิทยุติดต่อกันได้หรือเปล่าแล้วอนุชา ก, ก็สาวเท้าพรวดพรวดตามติดพวกลูกหาบก็เข้าขบวนเป็นแถวล่วงหน้าไปก่อนแล้วโดวยฝีเท้าอันเคยชินของคนที่เดินป่ามาแล้วอย่างโชคชนเช่นเขาพอเฉียดจะผ่านน้องสาวก็บอกว่าไปเดินรวมกลุ่มกับพี่ใหญ่และช ย, ยันไม่ต้องมาตามพี่ขึ้นมาเอา้าเรื่องอะไร น้อยก็มีเท้าเหมือนพี่กลางเหมือนกันนี่แล้วก็ไม่ได้เดินช้าไปกว่าพี่กลางด้วยรู้ไว่น้องสาวไม่ยอมลดละสาวเท้าตามหลังพี่ชายกลางไปติดๆแล้วหล่อนก็เดินได้ทันจริงๆเฉิากับชยันโคลงหัวพร้อมกันแต่ก็ไม่มีใครทักท้วงยังไงเพราะรู้นิสัยดารินดีอยู่แล้วรู้มากไปกว่านั้นอีกว่าในการเดินทางเสี่ยงตายมาในครั้งนี้ทบทจะบ้าดีเดือดขึ้นมาแล้ว ดารินจะบ้าบินยิ่งกว่าใครทุกคนแม้แต่อดีตพรานชดหรือครูพรานเท่านานอินก็ไม่มีวันฉับไวคล่องแคล่วได้เทียมเท่าจากพลังงานส่วนพิเศษที่เป็นตัวบงการผลักใสยอยู่ทั้งสองจึงเดินทอดระยะตามไปด้วยฝีเท้าสม่ำเสมอไม่สนใจที่จะขึ้นไปอยู่ด้านหน้าของพวกลูกหาบและนานนานครั้งก็จะหันกลับไปสังเกตขยิน เานักเลงโตแห่ลงลุมช้างซึ่งเดินแบกปืนท่อมท่อมมาทางเบื้องหลังเว้นระยะประมาณสิบเมตรหันไปพบคราวใดก็เห็นใบหน้านั้นยิ้มโชว์ฟันซี่โตๆสองซี่ข้างหน้าเป็นที่อบอุ่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรตลบเข้ามาทางเบื้องหลังโดยฝ่ายข้างหน้าไม่รู้ตัวอย่างเด็ดขาดเพราะหูตาประสาทสัมผัสของขยินน่ะมันราวกะเรด้ เสียอยู่หน่อยก็ตรงที่มันขี้วอยวายเท่านั้นแล้วเรื่องอื่นใดไม่เคยยี่รักมีแต่เรื่องกลัวผีเป็นสันดานประจำที่แกไม่หายเท่านั้นครูใหญ่ต่อมาแทนที่จะเป็นเสียงของอนุชาก็กลายเป็นเสียงของดารินที่ทดสอบมาทางวิทยุมือถือโดยเรียกหาพี่ชายและเพื่อนมาจากข้างหน้าซึ่งขณะนั้น ขบวนด้านหน้าเลี้ยวรับมุมหินไปแล้วได้ยินชัดเจนดีน้อยวิทยุยังใช้การได้ดีอ่ะข้างหน้าเป็นไงมั่งละ่ะขณะ น, นี้พี่ชายใหญ่วิทยุต่อไปเป็นป่าใหญ่ในหุบข้างล่างรอคอยเราอยู่ข้างหน้าข้างหน้านี่แล้วล่ะคะ่ะตอนนี้เรากําลังเดินลงนะคะทางค่อนข้างเทลาดชันพวกลูกหามนี้ต้องระวัดระวังกันมากแล้วก็เดินได้ช้าลง รถ้าพลาดก็จะน่าขมานะอืมระวังหน่อยถ้างั้นก็ไม่ต้องเร่งเวลานักนะว่าแต่เราเธอะนี่อยู่ใกล้พี่กลางกับลุงอินหรือเปล่าเนี่ยเชิาถามไปก็รงหน้าลงมาคอยอยู่ก่อนที่ตะพักแรกแล่ะค่ะแต่ยังอยู่ในทิศทางที่มองเห็นกันห่างกันแค่ยี่สิบเมตรเท่านั้นตอนนี้น้อยหยุดพักรอพี่กลางกับลุงอินกําลังช่วยพวกลูกหาประคองสัมภาระค่ะพี่ใหญ่ ขณะนั้นแดดกําลังแรงกล้าเพราะใกล้เที่ยงทุกคนเริ่มเหงื่อโรงกายเอ้ะกลางทำไมเงียบไปวะฉันไม่ได้ยินเสียงของนายเลยนี่ชา ย, ยันวิทยุถามไปบ้างอใจใหญ่ก็มีเสียงของอดีตพรานชดบอกมาด้วยน้ำเสียงมีกังวล น, นิดๆว่าเดินตามลงมาเรื่อย ๆ, ๆแล้วกันตอนนี้ ระยะมันค่อนข้างจะหักเป็นข้อศอกคดเคี้ยวมากอยู่สักหน่อยฮน้อยเริ่มดืออ้อละล่วงหน้าลงไปก่อนละประโยคหลังดูเหมือนจะฟองขึ้นมาเหาะปล่อยก็ตามสบายเหาะก็แค่ให้อยู่ในสายตามองเห็นก็เป็นใช้ได้นะ่ะมันไม่ใช่งั้นน่ะสิน้ำเสียงของอนุชาซ่อนความหงุดหงิดเอาไว้ไม่ได้ เราเราเจ็ดสิบเมตรในป่าหินข้างหน้าดักทางอยู่มีฝูงลิงหางสั้นแบบลิงกังมันจับกลุ่มอยู่ที่นั่นไม่ต่ำกว่าห้าร้อยตัวมันเห็นเราแล้วละ่ะกําลังมีการเคลื่อนไหวพุกพล่านแต่ไม่มีทีท่าว่าจะหลีกทางไปนี่ถ้าพวกเราลงไปใกล้กว่านั้นแล้วพวกมันเกิดไม่ยอมหนีเสือกยกขโยงก็เล่นงานแล้วก็ยิงกันไม่ทันทีเดียวคาพูดของอนุชาที่รายงานขึ้นมาก่อน โดยยังไม่เห็นตัวกันทำให้เช่ทาและชา ย, ยันตื่นตัวขึ้นทันทีชา ย, ยันหันไปกักมือเรียกขยินให้เร่งฝีเท้าเขามกาใกล้แล้วส่งภาษากรเียงงูๆูปลาปลาบอกให้ในบ้านหลุมช้างรู้ว่าพักพวกเบื้องหน้ากำลังพบเข้ากับอะไรขยินอ้าปากหอนายไว้ใจมันไม่ได้นะไอ้ลิงพวกนี้นะ่ะแต่ตัวสองตัวก็ไม่เป็นไรหรอก แต่ถ้าจับฝูงเป็นร้อยรอยตัวล่ะมันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นน่ะเข้าใกล้ไม่ได้นานายเรื่องกองทัพลิงหางสั้นบุกเข้าโจมตีคณะเดินทางทุกคนของฝ่ายเชษฐานะ่ะซึมทราบแกใจดีมาแล้วเพราะเคยโดนมาก่อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดกลางลุงอินด้วยทั้งสองคนมีความเห็นยังไงกับไอ้ฝูงลิงพวกนั้นน่ะคราวนี้ชัยยันวิทยุลงไปอย่างร้อนใจ มันก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจอ่ะนะนายทหารนานอินบอกให้ในายหญิงยิงไล่ลงไปก่อนถ้ามันได้ยินเสียงปืนมันอาจแตกหนียายถิ่นไปแต่นายหญิงก็ไม่ยอมยิงเท่าที่มองเห็นมันก็ราวห้าหกร้อยตัวก็ไปละแอบลบอยู่ตามเนินหินนี่เท่าไรบังก็ไม่รู้นะนานอินบอกมาทางวิทยุหางเสียงแกซอแ ว, วไม่ค่อยสบายใจพอพอกับพรานชด งั้นก็บอกให้ทุกคนหยุดแค่นี้ก่อนจะตามไปเดี๋ยวนี้แหละเชิฐาสั่งเด็ดขาดและชวนกันสามคนเร่งฝีเท้ากึ่งวิ่งกึ่งเดินเลาะลัดไปตามแนวเส้นทางระหว่างซอกโคหินที่พักพวกล่วงหน้าลับไปก่อนพอเลี้ยวโค้งข้อศอกที่บังอยู่เบื้องหน้าก็แลลาดลงไปเห็นกระบวนลูกหาบหยุดพักกัน ร, ระเกะระกะเป็นทิวตามเส้นทางที่ลาดลิบล่วลงไปสู่แนวป่าเขียวทมึนเบื้องล่าง และลึกต่ําลงไปกว่านั้นตรงชาหินลำหนากราไปกว่าทุกคนน้องสาวคนเล็กกาลังยืนสะพายไรเฟิลเอากระติกน้ําเข้ามากรอกเข้าปากดื่มอยู่อนุชาและนันอิงยืนอยู่บนอีกตะพักหนึ่งที่สูงเหนือขึ้นมาและกําลังใช้กล้องสองทางไกลส่องสํารวจลงไปยังหุนทางเทราดเบื้องล่างทั้งเชษฐาและชัยยันจึงล้วงกล้องสองทางไกลขึ้นมาบ้างปรับเลนในทันที ต่ำระดับลงไปใกล้บริเวณที่จะเข้าดงทึบเป็นป่าหินแซมป่ากล้วยโปร่งๆที่ออกเครือสุกเหลืองอารานฝูงลิงกลางหรือลิงหางสั้นนับจํานวนไม่ท่วนเปม๊มสะพรึบไปหมดบ้างก็นั่งสลอนกันอยู่บนโขดหินที่ขึ้นแซมอยู่ทั่วไปบ้างก็อยู่ในดงกล้วยถึงกล้วยป่ากินแน่นอนว่ามันจะต้องเห็นกลุ่มมนุษย์ที่กําลังทยอยกันเดินลงมา ตามเส้นทางันจะผ่านบริเวณที่พวกมันยึดครองอยู่ในขนาดนี้และหลายๆตัวที่จัดได้ว่าทำโมนใหญ่ของฝูงแง้มมองเลิกคิ้วทำปากยื่นขึ้นมามันไม่มีความหวั่นเกรงใดๆทั้งสิ้นมีอาการเหมือนจะยึดครองเส้นทางโดยไม่ยอมหลีกให้อย่างเจ้าทิมว้วไอ้ลิงเจ้ากรรมพวกนี้ทำยุ่งสแลสิชายันอุทานออกมา น้อยเชถฐายกวิทยุขึ้นเรียกเสียงเครง่งนี่อยันนึกว่าสัตว์ป่าทุกตัวมันจะเป็นมิตรกระเธอไปเสียหมดและเราไม่ต้องการเสียงอะไรทั้งสิ้นนะไม่ต้องการเสียเวลาด้วยจากระยะห่างๆนี่แหละเอาเป็นว่าเธอยิงไรเฟิลไล่ลงไปถ้าไม่อยากให้มันตายก็อย่ายิงให้ถูกตัวโดยยิงไปให้กระทบโขดหินเสียงปืนอาจจะทําให้พวกมันเตลดิดหนีเปิดทางให้เรา ตอนนี้มันดักขวางทางเราไว้เธอต่ำลงไปใกล้พวกมันที่สุดขอยิงไปสักนัดแล้วดูท่ า, าทีมันแทนที่จะปลดไรเฟิลออกปฏิบัติตามคำสั่งของพี่ชายใหญ่ดาริงกลับบวกมือขึ้นมาแล้วกวักมือเรียกลงมาเถอะค่ะพวกมันไม่ทำอะไรเราหรอกแต่ถ้ายิงน่ะมันอาจจะพลูขึ้นมาก็ได้แม้จะเป็นคนที่ใจเย็นที่สุดแล้วก็ตาม เชฐาสะบดอุบแล้วก็สั่งการไปทางน้องชายกลางกัะหนานอินทันทีออากลางจใช้เอมสบยิงไล่ไปสักชุดหนึ่งสิถ้าหากมันยังไม่เตลิดเข้าป่าไปก็ให้ตามด้วยเอมเจเกเราจะลงไปไม่ได้ถ้าพวกมันยังชุมนุมกันอยู่ตรงนั้นอนุชา ห, หงุดหงิดรำคาญใจอยู่ก่อนนะเขาเองก็มีความเห็นอย่างเดียวกับพี่ชายใหญ่ส่งไรเฟิลไปให้ลูกหาบช่วยถือ แล้วคว้าเอา M16 กระชากลูกเลื่อนขึ้นลำทันทีตะโกนบอกน้องสาวลงไปว่าน้อยหมอบลงบังก้อนหินไว้ไม่งั้นถูกลูกปืนไม่รู้ด้วยนะแล้วก็ยกปืนขึ้นประทับไหลผลักสวิตไปที่ฟลูออโต้ดารินร้องลั่นห้ามมาเสียงหลงแต่ตัวเองก็หลบวูบเข้าไปบังอยู่หลังก้อนหินใหญ่พ้นวิถีกระสุน พอเห็นน้องสาวพลจากทางปืนอดีตพรานชดก็เนียวไกปล่อยกระสุน 5.56 มมแบบกลันวัด ไ, ไหวลงไปยังบริเวณที่ีเหล่านันป้วนเปลี่ยนอยู่ในทันทีเขายิงเป็นชุดชุดละห้าหนัดกระสัดไปยังทิศ ท, ทางเบื้องหน้ารอบด้านไม่กรงกลที่จะฆ่ามันตัวไหนแต่หมายให้ไปกระทบโคถินแตกเป็นสะเก็ด และใช้กำบนนาเทฝุ่นจากโขดหินเบื้องล่างกระจายคลุ้งไปหมดตามแนวที่กระสุนแล่นไปกระทบมันพัดหัวดาลไปหลังก้อนที่สองเท่านั้นเสียงกระสุนที่ยิงรัวเป็นกลสเถื่อนเลื่อนลั่นไปหมดหกลูกห้าปีไปตามลำดับหากันอุดหูหมอบราบลงกับพื้นเทลาดนั้น สว้าวานอนทั้งหลายแยกจากแตกตื่นกันเป็นโกลาหุนอโลมังกระโดดลุกพลานเห็นเป็นสีเหลืองสลับน้ําตาลตัดกระสีเทาแดงของหญินลานตาไปหมดมองไม่ชัดว่าพวกมันตัวใดจะถูกปืนล้มตายไปบ้างหรือเปล่าแต่พวกมันกําลังปั่นปวนเต็มที่ปากก้วยรอบด้านก็ไวยวกยากมองเห็นได้ชัด อนุชายิงจนหมดแม็กกาซีนโค้ง30นัดแล้วหยุดเสียบแม็กใหม่เข้าไปแทนยืนมองดูผลที่จะติดตามมาเทาชทฐาชัยยันและทุกคนก็จับตามองอยู่ตรงข้ามกับดารินที่ร้องเอตตาโลลั่นขึ้นมาฟังไม่ได้สับซึ่งก็ไม่มีใครสนใจเพราะต่างพวงคอยจับตาดูปฏิกิริยาต่อไปของไอ้ลิงหางสั้นฝูงนั้น นึกภาวนาให้มันแตกหนีเข้าดงกล้วยไปซะโดยเร็วแต่แทนที่มันจะไปกลับปรากฏว่ามีแต่ความพลุกพล่านของพวกมันที่เคลื่อนไหวตัวอยู่อย่างจ้าละวันสองสามนาทีเต็มๆที่ฝ่ายมนุษย์บนทางลาดชั้นบนเฝ้าจับตามองอยู่พวกมันก็หาได้เคลื่อนย้ายแตกหนีไปไหนอย่างที่หวังไว้ไม่ตรงข้ามพอเสียงปืนสงบลงสักพัก มันก็ปรากฏตัวเต็มพืชไปหมดทุกตัวหันหน้าข ม, ม้นมองขึ้นมายังกลุ่มมนุษย์อันเป็นต้นเสียงปืนที่สาดลงมาและจากการคาดคะเนด้วยตาเปล่าแต่แรกว่าประมาณสักห้าหกร้อยตัวก็ปรากฏว่าจำนวนของพวกมันนับเป็นพันขึ้นไปสีเหลืองเหมือนฟางเต็มบริเวณไปหมดทั้งตามโคดหินและทางเดินส่งเสียงคู่ตะคอกโหกห้า ข, ขึ้นมาอย่างดุร้าย แม้จะระยะห่างไกลก็ได้ยินถนัดเพราะปริมาณอันมากมายเหลือเกินหลายตัวขนาดเรื่องเขืองเริ่มจากระโดดตามก้อนหินไตาทางขึ้นมาหาฝ่ายมนุษย์แล้วณบัดนี้พวกมันกําลังชาร์จขึ้นมาอย่างดุร้ายกระหายเลือดเสียงพวกลูกหัดปะโกนร้องบอกกันลั่นและอนุชายามนี้กระจรพ่วเดียวมาถึงดารินผู้ขุดขึ้นมายืนเต้นอยู่ กะชากแขนชุดได้ขึ้นมายังบริเวณด้านบนอันมีพรรคพวกที่แตกตื่นชุลมุนอยู่นั้น177ระหว่างที่พี่ชายหิ้วเอาตัวลากถูลูดถูกลางขึ้นมานั้นดารินร็อกเอตโรลั่นฟังไม่ได้สับมีอาการหัวเสียอย่างยิ่งที่อนุชาเปิดฉากยิงขึ้นตามคําสั่งของพี่ชายใหญ่แต่ยามนี้ไม่มีใครสนใจฟังเสียงลงเลงของหม่อมราชวงศ์สาวทางสิง เพราะสัญญาณภัยที่มองเห็นกันอยู่ยังโจงแจ้งในขณะทั้งหมดหมอบลงเข้าบังซอกหินไว้ให้เร็วที่สุดเชื่อทาตะโกนสั่งการลงไปอีกครั้งเสียงดังลัดเพราะขณะนี้ M79 ดก้ระบอกหนึ่งขึ้นมาอยู่ในมือของชัยยันแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่กำลังหักลำกล้องยัดระเบิดชนิดสเก็ตทำลายขนาด40ม ม, มเข้าไปในรางเพลืง แล้วหุบลำกล้องเข้าที่ยกขึ้นประทับไล่ลิงไปยังแนวทางลาดเบื้องต่ำอันแวดล้อมไปด้วยป่าหินซึ่งมองเห็นลิงฝูงแรกนับจำนวนไม่ถ้วนกำลังกระโจนพรวดพรวดไต่ทางเข้ามาหาไฟมนุษย์อย่างกำแหงหานจอ๋อพวกเองควรจะหยุดกำแหงหารกันได้สักทีแล้วเอาเอาไปแดกสักลูกหนึ่งก่อน ใยันคำรามอย่างเดือดดานใจหลักขันห้ามไปทางด้านหน้าแล้วกะปากลำกล้องเครื่องยิงระเบิดให้มันพอดีกับกลางกลุ่มของบรรดาลิงเกเรกองหน้าชุดแรกพร้อมกับลั่นไกออกไปเสียงมันดังปังยัางไม่สู้จะรุนแรงอะไรนะักจากการจุดชนวนส่งหัวระเบิดออกไปท้ายกระสุนที่ลอยลงไปนั้นเห็นเพียงกลุ่มควันที่ตามไปเบื้องหลังเป็นเส้นพอยิงเสร็จ ทั้งเขาเชิฐาและขยินก็สุดตัวนั่งวูบลงอึดใจต่อมาสำเนียงสะเทือนเลือดลั่นของระเบิด40มมก็คำรนกระหึมมันก้องกังวานไปทั้งขุนขับประกายไฟแลบวาบแดงเศษนักตำแหน่งที่หัวระเบิดตกแล้วกลุ่มควันเศษหินเศษลูกรางก็กระจายตลบเป็นม่านควันคลุ้งไปหมด เสียงระเบิดของมันดังสะเทือนขวัญกว่าการยิงรัวของ M16 อันเป็นไรเฟิลจูโจมกวาดล้างหลายเท่าแม้จะเพียงแค่ลูกเดียวก็ตา่างภาพที่เห็นในวินาทีต่อมาภายหลังที่ม่านควันเจือจางลงปรากฏว่าเจ้าลิงดูร้ายพวกนั้นแต่กระจัดกระจายพล่านกันอีกครั้งเหมือนมดแดงแตกรังแต่การแตฝูงของมันในครั้งนี้ไม่เหมือนในครั้งแรก เพราะเป็นการแตกตื่นะหนกตกใจอย่างแท้จริงในกลุ่มของพวกมันนั้นจะมีกี่ตัวบ้างที่ถูกสะเก็ด ร, ระเบิดสังหารแดดิ้นไปไม่สามารถจะมองเห็นได้ในขณะ น, นี้คงเห็นเฉพาะสภาพที่เคยแสดงกิริยาดุร้ายและกระโจนพรวดพรวดเข้ามาเป็นระลอกนั้นได้หยุดชะงักลงอย่างเด็ดขาดกลายเป็นวิ่งพลาดหางจุกก้นเพ่นไปตัวละทิศละทาง โดยไม่มีตัวใดบังอาจสำแดงท่ากระเฮียนกระหือรือที่จะปรีตรงเข้ามาอีกเลยแม้แต่ตัวเดียวชายันหัดลำกลอกดีปลอกเกา่าที่ควันยังกรุนๆอยู่กระเด็นพล็อกออกมาแล้วหยิบอีกนัดหนึ่งบรรจุใหม่ทันทีแต่เชษถาจับแขนไว้พอแล้วนัดเดียวพอพวกมันเพ่นกันป่าราาไปโน่นละ เราต้องการไล่มันเท่านั้นแหละไม่ได้ต้องการจะฆ่าล้างผลานมันสหายของเขาจึงยั้งมืออยู่แค่นั้นพร้อมกับยุปากจึกยักสมุดดางตาของทุกคนที่แลลงไปในขณะนี้และเห็นสภาพอันแตกกระจายหนีของมันอย่างกึ่งสมเทพกึ่งขันขันมันจะรวมพวกกันมากมายสักแค่ไหนหรือมีสันดานดูไรเกเรเช่นไรก็ตาม แต่มันก็ไม่อาจทนทานกับอนุภาพของระเบิด40มมจากเครื่องยิง m 79ไปได้พากันเปิดแนบเร็้วจี้ไปคนละทิศละทางโดยบายหน้าลงป่าทึบข้างล่างสับสนไปหมดพวกมันแจ้วอ้าวกันไปหมดแล้วนายพวกลูกหาบทั้งหลายพากันร้องตะโกนขึ้นแล้วช่วยกันโหร้องไล่สำทับหลังไปอีก เสียงชา ย, ยันตะโกนถามพรรคพวกอย่างย่ามใจว่าแถมส่งก้นมันไปอีกสักลูกเป็นไงมันจะได้เข็ดแล้วก็ไปใชพลนพลนไม่จะไปจับกลุ่มดักรอคอยพวกเราในป่าทึบก้างล่างเละแต่เชิดถาจับข้อมือข้างหนึ่งไว้ปรามว่าพอพอเสียกระสุนเปล่าแค่นี้มันก็ไม่รอหน้าอีกแล้วละ่ะรับรองว่ามันไม่กล้าไปดักเราเราดักเราอีกอะ สองสอึดใจต่อมาตามแนวทางลงเบื้องล่างที่เคยเห็นฝูงลิงดักอยู่เป็นกองทัพก็โปรงตาไปหมดไม่เห็นมีเหลืออยู่อีกเลยแม้แต่ตัวเดียวนอกจากบริเวณยอดหินระเกะระกะที่พวกมันเคยนั่งหรือไต่ยอยู่เท่านั้นตำแหน่งที่ใช้ยยันยิงระเบิดลงไปก็ไม่ปรากฏร่องรอยอะไรเสียหายยับเยินมากนะักเพราะมันตกลงในระหว่างซอกหินใหญ่ แล้วระเบิดขึ้นสเก็ตถูกก้อนหินบังอยู่เฉพาะแนวจำกัดไม่ได้ปลิวไปสังหารพวกมันมากมายนะักเว้นแต่เฉพาะตัวที่อยู่ใกล้กระทำแหน่งระเบิดตกเท่านั้นที่ตายทันทีไม่เกินสามสี่ตัวซึ่งก็เห็นคาอยู่ตามยอดหินและเส้นทางเดินตรงกลางส่วนเจ้าพวกที่ถูกสเก็ตบริเวณไม่สาคัญก็บาดเจ็บแล่นลน ล, นลานตุปัตตุเป๋หนีไป พวกมันส่วนใหญ่อาจไม่กลัวความตายแต่มันตกใจกำปันหน้าเสียงระเบิดซะมากกว่าทุกคนพากันถอนใจอย่างโล่งอกดารินสะบัดแขนพี่ชายกลางที่ยังยึดไว้มัน่นระหว่างที่ชายยันทำหน้าที่ยิงระเบิดหลอนผุดลุกขึ้นยืนมือทั้งสองเท้าเอวจ้องมองขุนเขียวมายังเพื่อนชายผู้ยิงเอ็มเจ็ดเก้าขุนใจร้ายทาไมถึงได้เฮี้ยมขนาดนี้ ฮะชัยยันร่อนคำลามรอดไรฟันออกมาระหว่างที่ชัยยันและเชิดทากะขยินไต่ทางเขามารวมกลุ่มอุ้บะใหญ่ยยน้อยนี่ชัยยันร้องลั่นยังมีโมโหเชิดทายิ้มขึ้มขึ้ม่น้องสาวเอื้อมือไปตบไหลอย่างปลอบโยนนี่น้อยอย่ามองทุกสิ่งทุกอย่างในดงดิบแห่งนี้ในแง่ดีเกินไปนักสิ ขืนปล่อยมันพรูก็มาถึงพวกเราเมื่อไรนะเกิดเรื่องใหญ่เมื่อนั้นนะน้อยจะหวงชีวิตลิงฝูงนั้นมากกว่าชีวิตความปลอดภัยของพวกเรากันเองอย่างนั้นเหรอหญิงสาวยังคงหน้าบูดตาวาวอยู่เช่นนั้นมองหน้าทั้งชายยันและพี่ชายกลางของหลอนสลับกันก็เพราะพี่กลางนั่นแหละไปไล่ยิงมันก่อนถ้าพวกเราไม่ทาอะไรกระตุกกระตากแล้วค่อยๆเดินลงไปโดยดี น้อยก็กล้ารับรองเหมือนกันว่าพวกมันจะไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับเราเลยน้อยบอกแล้วไงว่าน้อยไม่อยากจะให้การเดินทางของเราต่อไปเนี้ยต้องหมายถึงการล้มตายของสัตว์ชนิดใดในป่านี้อีกแล้วทั้งสิน้นมันเป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเราเหมือนกันเห็นไหมนั่นะ่ะเละจมกองเลือดอยู่นั่นเห็นเนอยู่สามสี่ตัวแล้วไง ชยันเกาหัวไม่อยากจะโต้เถียงอะไรอีกด้วยทั้งสิ้นพี่ชายกลางขยี้จมูกอย่างหัวเสียเขาเกือบจะหลุดถ้อยทำอะไรแรงๆออกมาหลายคำดีแต่ยั้งไว้ทันพยายามข่มโทสะลดเสียงลงเป็นปกตินี่น้อยถ้าเธอคิดว่าเธอหมดกิเลสสละหมดสิ้นแล้วจะแสวงบุญอย่างแท้จริงเอาเป็นว่ามีชีวิตรอดกลับไปได้ครั้งนี้ แต่จะบวชชีก็ไม่มีใครขัดขวางเธอหรอกนะแต่เดี๋ยวนี้สิทธิในการตัดสินใจเพื่อความอยู่รอดของคณะของเราอ่ะมันอยู่ที่พี่กับพี่ใหญ่ไอ้ลิงพวกนี้มันอาจจะไม่ทําอะไรน้อยนะพี่เชื่อแต่พี่ไม่เชื่อนะว่ามันจะไม่ฉีกเนื้อนหนังของพวกเราคนอื่นๆแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันวา่าพวกเราส่วนใหญ่กําลังถูกโจมตีประชิด ต, ตัว น้อยจะยืนแผ่เมตตายกับพวกมันแบบนักบุญหรือว่าจะช่วยพวกเรากันแน่โดยฆ่ามันซะก่อนที่มันจะฆ่าเราคนหนึ่งคนใดดารินกัดริมฝีปากนี่ตายยังขวางอยู่พี่ชายใหญ่ช่วยพูดขึ้นมาอีกคนน้อยไอสถานการณ์ตะกี้เนี่ยนะมันไม่เข้าท่าสาหรับฝ่ายเราอยู่มากทีเดียว พวกมันชาติขึ้นมาแล้วเราเพียงแค่ยิงไล่มันไปเท่านั้นยอมให้มันตายสักสามสี่ตัวมันก็ยังดีกว่าที่เราจะต้องถล่มมันใช่ท้งฝูงไม่ต้องกลัวเราก็จะผิดสัตจชะอะไรอ่ะเพราะน้อยก็ตั้งปณิธานไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จริงเว้นแต่เพื่อป้องกันชีวิตตนเองและพักพวกในคณะซึ่งเป็นความจําเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ น้องสาวคนเล็กถอนใจอีกครั้งน้อยนะ่ะคิดถึงวายาคิดถึงนีลาแห่งภูเขานิ่หลักการที่เราจะบ่ายหน้าไปพวกนั้นนะ่ะเป็นบรรพบุรุษของไอ้ลิงเล็กๆพวกนี้แล้ววายากับบริวารของเขาก็ล้วนแต่เป็นมิตรที่ดีที่สุดของเราเคยช่วยเหลือเราสารพัดเราก็ไม่น่าจะไปฆ่าเจ้าลิงอันเป็นลูกหลานของเขาพวกนี้่ตอนที่น้อยหลงป่าอยู่คนเดียวะ น้อยก็พบลิงพวกนี้พวกนี้ทั้งหลายฝูงหลายครั้งด้วยแล้วพวกมันก็ไม่เคยทำอะไรน้อยเลยเอาละคะน้อยจะลืมเหตุการณ์นี้ซะแล้วก็จะไม่พูดอะไรอีกแล้วดีอย่าพูดหรือทำอะไรให้พี่ต้องหงุดหงิดหัวเสียมากกว่านี้นะน้อยพี่กับทุกคนก็เหนื่อยยากเพราะน้อยมามากแล้วจะเมตตาสัตว์เพื่อสแสวงหามรรคผลอะไรนะพี่ก็ไม่ขัด แต่มันก็ต้องวางฐานะอยู่บนความปลอดภัยของชีวิตพวกเราทุกคนด้วยจริงน้อยอาจจะมีบารมีมีสิ่งที่ตนเองเชื่อมัน่นว่าสามารถคุ้มตัวได้แต่คนอื่นเขาไม่มีสิ่งนั้นเหมือนน้อยจําไว้สิพี่ชายกลางพูดมาเรียบๆก็จริงแต่หางเสียงส่อความไม่พอใจชักแจ้งดารินไม่พูดอะไรสะบัดหน้าไปทางอื่น หล่อนเองก็ไม่พอใจอย่างมากเหมือนกันอู้รัดพากเหมือนตายจากพอมาพบหน้ากันไม่ทันไรทะเลาะกันอีกแล้วสองคนนี่พี่น้องเนี่ยชายันบ่นมาเบาๆแล้วพยายามพูดไกลเกลีย่ยแต่ทั้งดารินและอนุชาก็เงียบเฉยกันไปทั้งคู่ต่างคนต่างไม่มองหน้ากันและกันเตถาไม่สนใจอะไรอีก พยายามใช้กล้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าลิงร้ายฝูงนั้นเพ่นหนีกันไปหมดแล้วจริงๆและจึงโบกมือให้ขบวนเริ่มเคลื่อนที่ลงไปตามทิศทางนั้นคราวนี้ดารินทิ้งระยะไปเดินคุยอยู่กับขยินด้านหลังซะไม่อยากจะเดินรวมกลุ่มไปกับพีๆทั้งหมดไต่ทางลงไปอย่างระมัดระวัง ปืนทุกระบอกเตรียมพร้อมโดยไม่ประมาทอนุชายยังคงถือ M16 อยู่เช่นนั้นในขณะที่ชายันยังไม่ยอมปลด M79 ออกจากมือแล้วทั้งหมดก็ลงมาถึงตรงตำแหน่งที่ระเบิด40มมของชายันยิงลงมาที่นั่นมองเห็นชัดว่ามีซากลิงหางสั้นตัวโตโตนอนตายจมกองเลือดอยู่บนก้อนหิน และที่กระเด็นลงมากลิ้งหยุดกลางทางเดินก็ประมาณสองสามตัวที่ยังไม่ตายแต่นอนแยกเขี้ยวพิการในลักษณะต่างๆอยู่ตามซอกหินจากการสํารวจของลูกหักและก่อนที่ดารินจะเดินลงมาถึงที่นั่นเองอนุชาก็สั่งให้พวกลูกหักยิงทําลายเส้หมดทุกหมดร้อนเนื่องจากเห็นว่าปล่อยไปก็เป็นการทรมานมันเปล่าๆดารินได้ยินปืนลั่นขึ้นอีกสามสี่นัด การดีที่สุดว่ามันหมายถึงอะไรเสียงวิทยุจากน้องสาวคนเล็กของคณะที่เดินทิ้งระยะห่างลงมาก็ดังขึ้นมาลอยๆว่าพวกโคเยี่ยมหินชาติทั้งนั้นทั้งคนยิงและคนสั่งนี่มีเหลืออยู่ตัวนึง่งนอนไส้ทะลักปังแหนะประแหะอยู่ในซอกขินเงื่องทางนีง่ หมอาริงจะไปช่วยรักษาพยาบาลด้วยไหมจะได้เก็บไว้ให้เสียงชยันถามขึ้นมาก็มีใครอยากกินสมองลิงมั่งไหมล่ะที่อยากกินก็หิ้วไปด้วยที่อาหารเย็นมื้อนี้ขอยไปลิงล้นลวนนะหลอนสวนตอบมาทันทีด้วยน้ำเสียงประชดหลังจากนั้นดาริงก็ได้ยินเสียงปืนระเบิดเปรี้ยงขึ้นอีกนักนึง แสดงว่าคงมีใครช่วยมันพ้นทุกพ้นร้อนไปแล้วหญิงสาวยักษ์ไหลยกวิทยุในมือขึ้นแต่ก่อนที่จะพูดอะไรเสียงเห่าห่าของขยินก็ดังขึ้นมาว่าท่านนายหญิงจะสาบแช่งอะไรพวกเราที่ช่วยกันยิงลิงเก็บไปไหนไม่รอดพวกนั้นยาเชียวนายยาแช่งไปนั้นขาดปากนายหญิงน่ะศักดิ์สิทธิ์แล้วเดี๋ยวพวกเราก็เครอร้ายไปตามๆกันห เมื่อนั้นดารินจึงชะงักฉุกคิดขึ้นมาได้มันก็จริงของก็ยินที่รู้เท่าทันขอบใจมากกระยินขอบใจมากที่ห้ามไว้สั ก, ก่อนฉันก็กําลังหลุดปากแช่งพวกเขาอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แช่งเขาได้รับภัยอันตรายอะไรหรอกแค่แช่งให้คนที่ทําร้ายมันออกลูกมันหน้าตาเหมือนไอ้ลิงพวกนั้นก่ะก็ยินหัวร้อเ อ, อ๊ะ ดังลั่นขึ้นมาเป็นครั้งแรกและแล้วในบัดดนนั่นเองจากเสียงหัวรอชอบอกชอบใจของก็ยินก็กลายเป็นเสียงร้องดังลั่นยังเจ็บปวดและตกใจขีดสุดดาลินผู้เดินไตลงไปทางด้านขวามือหันขวับหล่นใจหายวับเมื่อมองเห็นเจ้าลิงใหญ่ตัวหนึง่งเลือดเต็มตัวกระโดดมาจากที่ใดไม่ทราบได้แต่จะคงจะเป็นข้างทางที่ผ่านกันมานั่นเอง บัตนี้มันเกาะติดหลังของขยินและกำลังขยั่งกัดลงไปบนไหลเต็มเขี้ยวอย่างอาฆาตพยาบาทอดีตนายบ้านหลุมช้างพยายามสะบัดแต่ก็ไม่หลุดเพราะมันอยู่ทางด้านหลังร่างสูงใหญ่ของขยินเซปัดหมุนติว้วโดยสมองไม่ได้สั่งงานเลยแต่เป็นไปโดยสัญชาตญาณเคยชินซะมากกว่าดารินเวียงพานท้ายไรเฟิลในมือกระทบตัวไอ้ธมลบาทเจ็บที่ หลังขยินกระเด็นหลุดลงไปคลุกอยู่กับพื้นและบัดดนปากลำกล้องไรเฟิลของหลอนก็แยตดรองตัวมันพอดีห่างเพียงแค่ศอกเดียวเท่านั้นนิ้วกระดิกโดยไม่ได้ตั้งใจเลยแม้แต่นิดเดียวเสียงจุด0ามย์เวทเทอร์แม็ดแพหตราวกระฟ้าผ่าแล้วหินลูกรางริมทางกระจายเป็นบ่อลึก เท่าทากับที่ร่างของไอ้ลิงตัวนั้นแหลกยับแทบจะขาดออกเป็นสองท่อนตับไตไส้พุงกระจายเริเราชอยู่ตรงนั้นขยินเป็นไงมัง่งดารินร้องเสียงหลงวางไรเฟิลพิงหินกระโจนเข้ามาที่อดีตนายบ้านลมช้างซึ่งยืนแยกเคียวสีหน้าบูดเบี้ยวสแสดงอาการเจ็บปวดอยู่ตรวจ ด, ดูบาดแผลโดยเร็วโดยกดไหลให้มันนั่งลงตรงแง่หินริมทาง เสียงร้องและเสียงไรเฟินสนันวันไหวจากเบื้องหลังทำให้พวกที่ล่วงหน้าเคลียร์ทางลงไปก่อนหันควับขึ้นมายังตกใจและตะโกนฐานเสียงแซดขึ้นมาเร็วเอาหินเวชภัณย้อนตับมาที่นี่ก่อนขยินถูกกัดที่ไายขวาเป็นบาดแผลฉีกมากต้องห้ามเลือดแล้วก็เย็บเดี๋ยวนี้ดารินตะโกนและล่ําละลักลงไประยะมันห่างกันเพียงไม่มากนะักทุกคนได้ยินพร้อมกันหมด เชาิาชายันและหนานอินพากันวิ่งสวนทางขึ้นมาทันทีส่วนอนุชาหันไปกระชากกระเป๋าเวชภัณฑ์จากกองสัมภาระที่พวกลูกหาบสะพายอยู่เดินไต่ทางขึ้นมาด้วยอาการเงียบขึ้ตามเดิมของเขาเมื่อทุกคนเข้ามาถึงเห็นหญิงสาวกำลังสาละวนอยู่กระบาดแผลทางด้านหลังของขยินผู้นั่งหน้านิว้วคิ้วขมวดอยู่ การินร้องบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลิ้นพันกันแทบจะฟังไม่รู้เรื่องส่วนมือก็กำลังฉีกเสื้อกะเรียงที่เจ้านั่นสวมอยู่เพื่อมองเห็นบาดแผลถนัดทั้งหมดเข้ามารุมอยู่ที่กยินโดยเร็วอนุชามาถึงทีหลังโยนหีบเวชพันไปให้ตัวเองไม่ทำอะไรทั้งสิ้นยืนสูบบุรี่และพักขาอยู่ตรงแง่ชะงอนหินปล่อยหน้าที่การปฐมพยาบาลให้แก่น้องสาวและคนอื่น ที่กำลังช่วยกันอย่างชุลมุนอยู่นั้นการเดินทางชันนักลงชั่วขณะบาดแผลที่ไหลของขยิมจากคมเคี้ยวของไอ้ลิงเจ้ากรรมตัวนั้นถึงจะไม่สาหัสแต่มันก็น่ากลัวอยู่มากเพราะเลือดไหลกระชู ท, ทีเดียวภายหลังการเย็บสดๆ5้าหกเข็มจิตยาการบาดทะยักและพิษบาดแผลกับยากินอีกชุดหนึ่งซึ่งหล่อนบังคับให้มันกินในทันทีนั้น ใช้เวลาประมาณ1ิบนาทีในการประถมพยาบาลโดยการช่วยเหลือกันคนละไม้ละมือกยินก็ยิ้มแย่ๆออกมาได้หันกลับไปมองดูซากลิงตัวนั้นที่นายหญิงยิงไว้จนตัวขาดซากยังคาเห็นอยู่กับตาไม่ห่างออกไปนะสมบตอะไรพุ่งพังพอจัดการกับบาดแผลของกยินเรียบร้อยโดยพันผ้ากอสไว้อย่างรัดกุมมั่นคงดารินวราฤทธิ์ก็ยกมือขึ้นลูบใบหน้า มีอาการคล้ายๆจะเป็นลมขณะนั้นสายตาของหล่อนก็แลไปสบสายตาของพี่ชายกลางเ็าพอดีเขากำลังสบุรีมองเงียบๆมาก่อนแล้วซึ่งตลอดเวลาไม่ได้ข้ามามุงอะไรด้วยนอกจากกึ่งนั่งกึ่งยืนพิงหินอยู่ข้างห่างๆไม่น่านะคนใจบุญไม่น่าจะไปยิงไอ้ลิงที่น่าสงสารตัวนั้นเลย คุจะปล่อยมันฟัดก็ยินให้คอหอยทะลุไปเลยแล้วก็แผ่ส่วนกุศลให้ทั้งลิงแล้วก็ยินไปพร้อมๆกันน้องสาวหน้าเสียกลั่มกลืนอะไรบางอย่างลงคออย่างฝุดๆแลวยกมือขึ้นไหว้พี่ชายกลางเอาละค่ะน้อยกราบขอไปพี่กลางหากจะพูดหรือทำอะไรที่ไม่สมควรออกไปเมื่อครู่นี้ กลางอยากโกรธหรือประชดประชันอะไรน้อยเลยถึงยังไงพี่ก็มีโน้องสาวอยู่คนเดียวนะคะอนุชาวราฤทธิ์ยักไกลนิดหนึง่งอาการของเขาไม่ถือสาอะไรเดินเข้ามาลูปที่ศีรษะของดารินแล้วตบที่ไหลข้างหนึ่งของก็ยินเบาๆเฮ้ย hey, เจ็บนิดหน่อยแค่นี้เองจิตใจดีดวะไอกยินเองไม่เป็นไรมากหรอกวะนายหญิงน่ะเป็นหมอเทวดา เย็บแผลแล้วฉีดยาแล้วกินยาแล้วเดินต่อไปได้พี่กลาง น, น้อยว่าว่าเฮ้ยเรื่องขิดผงแค่นี้เองขยีนนั้นมันทนยิ่งกว่าควายถูกกัดแค่จึงเดียวเท่านั้นอะส่งย่ามของเองมาให้ค่าเดี๋ยวข้าใจพวกนั้นช่วยคอนไปให้แต่ไปนี้เองก็ถืออย่างเดียวไม่ต้องแบก จนว่าแผลจะหายถือเป็นอย่างเดียวได้ปะว่าแล้วอนุชาหรืออดีตพรานชดุดซึ่งมีความคุ้นเคยกับขยินดีมาก่อนใครในพวกก็หิ้วปีกอดีตในบ้านลุมช้างให้ลุกขึ้นยืนพลางบอกให้ทุกคนเดินลงต่อไปตัวเขาเองประคองปีกข้างที่ถูกกัดของขยินลงมาด้วยทั้งหมด พากันเดินลงมาตามเส้นทางนั้นอีกครั้งหลังจากดารินทําแผลให้ขยินเสร็จแม้แผละจะค่อนข้างฉีกและลึกแต่ก็โชคดีที่ไม่ถูกเส้นเลือดใหญ่หรือเส้นเอ็นเพราะไปถูกเอาบริเวณกล้ามเนื้อหนาของสะบักขวาและรฤยาก็ไม่ทําให้เจ้าอาดีตบ้านในบ้านลุมช้างต้องปวดมากนักถือได้ว่าเป็นอุปถัมเหตุเ ล, เล็กๆน้อยๆเท่านั้น เชื้ท้าเดินสอบถามน้องสาวถึงสาเหตุก็ได้รับคําอธิบายว่าเจ้าลิงร้ายตัวนั้นเป็นลิงบาดเจ็บไปไหนไม่รอดแอบซุกซ่อนอยู่ข้างก้อนหินอย่างมิดชิดพอพักพวกส่วนใหญ่ล่วงหน้าไปหมดแล้วหรือเฉพาะขยินกระหล่อนเดินเคียงคู่กันลงมาเว้นระยะห่างจากคณะพักพวกส่วนใหญ่ขยินนะ่าคงจะผ่านมันใกล้ที่สุดมันจึงกระโจนเกาะติดหลังและฝังเขี้ยวเต็มแรงอาฆาตพยาบาท อย่างสัตว์ลำบากก็โชคดีนะที่มันซ่อนอยู่ทางด้านที่กยินเดินผ่านไอ้นั่นก็เลยรับเคราะห์ไปถ้าโดนน้อยเข้าเราก็ยุ่งทีเดียวพี่ชายใหญ่บน่นพร้อมกัจจุปากเบาๆที่มีการยิงทิ้งให้มันพ้นทรมานไปเสเมื่อตะกี้นี้ก็เพราะเราสำรวจพบพวกมันสามส่ตัวถูกสะเก็ดระเบิดไปไหนไม่รอดแล้วขื่นปล่อยว่าก็ตาย แต่กว่าจะตายก็ทรมานไปอีกหลายชั่วโมงแต่ตัวไหนมันถูกเพียงเล็กน้อยและยังพอจะหนีไปได้คล่องแคล่วเราก็ปล่อยมันหนีไปไม่ได้ตามราวีอะไรมันอีกนะประโยคหลังเป็นการพูดเพื่อปรับความเข้าใจกันน้องสาวดารินไม่กล่าวอะไรอีกนอกจากยิ้มจิดจืดเพราะเหตุการณ์มันก็ได้พิสูจน์ชัดแล้วถึงตัวหล่อนเองก็ยังจาเป็นจะต้องยิงสังหารไอ้ลิงตัวที่กระโดดกัดขยิ่ตัวนั้น แม้ครั้งแรกจะตะโกนร้องต่อว่าพักพวกลงไปก็ตามเชฐหาเตือนให้หล่อนบรรจุกระสุนไรเฟิลให้เต็มอัตราตามเดิมและสั่งให้ไปเดินรวมกลุ่มกับพี่ชายกลางโดยบอกว่าตนเองจะเดินคุมหลังคู่กะขยินเองดารินอิดเอื้อนอยู่ครู่หนึ่งก็ขัดคำสั่งไม่ได้จําใจต้องปฏิบัติตามเพราะไต่ทางลงไปใกล้ชิดกับอดีตแฟนชด เห็นเขาเอี้ยวคอหันมาดูก็พูดเสียงอ่อยว่าพี่กลางอย่ากโกรดน้อยนะคะเออถ้าคิดจะโกรดกับเธอแล้วก็มีเรื่องจะโกรดทะเลาะกันได้ทุกๆุกสินาทีนั่นแหละเอาเอาจับมือพี่ไว้ทางมันลาดชันมากเนยถ้าเสียหลักแล้วก็หัวจะทิ่มกริ่งหลุนๆลงไปทีเดียวเดินลงเขาหรือทางเทลาดชันแบบนี้ดูว่ามันผ่อนแรงแล้วก็น่าจะง่ายกว่าจริงอะ แต่ปลายนิ้วเท้าของคนที่ใส่รองเท้าจะทรมานมากสู้พวกชาวป่าที่เขาเดินตีนเปล่าไม่ได้หรอกและพี่ชายกลางก็ส่งแขนไปให้เกาะทางด้านเชษฐาและชัยยันผู้เดินหลังขนาบมาข้างขยินอันบัตินี้ถือได้ว่าเป็นผู้บาดเจ็บเคราะห์ร้ายกว่าคนอื่นสังเกตเห็นมันยังแข็งแรงดีแต่าการเคลื่อนไหวเชื่องช้าลงกว่าเดิมเล็กน้อยก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่า เจ็บมากไหมขยินตอนแรกก็เจ็บมากนะนายใหญ่แต่พอนายหญิงฉีดยาให้กินยาแล้วมันก็ชาชาไม่รู้สึกอะไรมากอะแค่ขัดขัดที่แขนเท่านั้นนิดหน่อยเท่านั้นนาะขยินอีกสองสมวันก็หายมีนายหญิงมาด้วยแบบนี้ไอเรื่องเจ็บ่ายได้แผลไม่ต้องกลัวเองมันเซอร์เองนี่หว่า ตอนที่เดินลงมาไม่ดูเสีดีซะก่อนชายันปลอบใจไม่คนก็ยินเห็นแล้วมันซุกตัวอยู่ริมซอกหินข้างทางแต่ไม่ได้บอกหนายหญิงนึกว่ามันจะหลบตัวอยู่เฉยๆดันเสือกระโจนกัดได้ฮาแรกว่าจะยิงซ้ำนะแต่ตัวนายหญิงด่าเจ้าองคุลีมานแห่งหลุมช้างพูดเสียงอุย มันไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของนายหญิงตอนนี้ได้เลยว่าเหตุใดจึงพยายามไม่ให้ใครทำร้ายสัตว์ป่าและรู้สึกแปลกใจมากเพราะในสมัยที่เคยเดินป่าด้วยกันในยุคก่อนนายหญิงก็จะเป็นคนยิงขึ้นก่อนเสมอไม่ว่าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลแต่มาคราวนี้กลับห้ามคนอื่นแต่มันก็ไม่อยากจะซักถามเพื่อค้นหาความสงสัยออกไปเพราะภาษากระเรียงของเชษฐาชัยยันก็ไม่ได้แตกฉานนัก และมันก็เป็นคนง่ายๆไม่สนใจต่ออะไรอีกมีความรู้สึกมุ่งมั่นอยู่ประการเดียวที่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้ก็คือพวกเจ้านายไปไหนมันก็ไปที่นั่นโดยบีพรานใหญ่คือระพินไพรวันที่มันรักนับถือห่วงใหญ่เป็นเป้าหมายแห่งการติดตามค้นหาให้พบดูว่าป่าเบื้องล่างมันจะใกล้ๆอยู่ข้างหน้าก็จริง แต่ทั้งหมดใช้เวลาอีกตั้งร่วมชั่วโมงกว่าที่จะไต่ทางเทลาดนั้นลงมาถึงพื้นราบของป่าใหญ่เบื้องล่างได้และหยุดชุมนุมพักเหนื่อยกันชั่วคราวอีกครั้งตรงตำแหน่งเชิงเขานั้นทุกคนเหงื่อท่วมกายเหมือนอาบน้ำไม่มีวิแววฝูงลิงหางสั้นเหล่านั้นจะไปรวมตัวคุมเชิงอยู่ในละแวกใกล้เคียงให้เห็นป่านี้มันคงจะเพ่นกันไปไกลลิฟแล้ว จากความตกใจเสียงระเบิดของ M79 ที่ชั ย, ยันยิงไล่ลงมาหยุดดื่มน้ำพักขากันที่ชายดงระหว่างที่นันอินขยินและทุกคนกำลังมองหาภัยจากฝูงลิงที่อาจจะดักคอยอยู่ใกล้ๆด้วยความไม่ประมาดดาลิงตอบพยายามมองหาร่องรอยของเจ้าด้วนซึ่งตั้งแต่ตื่นเช้ามาวันนี้เรายังไม่ได้เห็นมันอีกเลย ส่วนอนุชาล่วงเอาแผนที่ประจำตัวเก่าแก่ของเขาออกมาพิจารณาไคร่ครวนโดยเทียบเขากับเข็มทิศใช้การไตรตรองอย่างทีท่วนระมัดระวงังแล้วก็เรียกนานอินเข้ามาซุบซิบ ป, ปรึกษาพอพี่ชายใหญ่และสหายชา ย, ยันเดินเข้ามาสมทบด้วยเขาก็เงยหน้าขึ้นเอาไงกลางเฉตถาอย่างความเห็นสั้น เราจะตัดเข้าดวงนี้ครับโดยตีขึ้นเหนือไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้จะยังสังเกตอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละนอกจากอาศัยเข็มทิศแล้วก็เรื่องมุ่งทิศมุ่งเรื่องทิศอย่างเดียวอ ะ, แ ล, ะอแล้วเธอกําหนดไว้แล้วหรือยังอ่ะกลางว่าจะมุ่งเข้าหาที่สังเกตไหนเป็นจุดแรกก็ถ้าเราไม่ผิดเส้นทางเกินไปนักผมว่าสิ่งที่ต้องการเป็นจุดแรกก็คือเขาครุด อันจะช่วยให้พบหลุมุกาบาทที่สามเมื่อได้ที่ไม้หลุมุกาบาทที่สามก็ายหน้าเข้าเทือกเขานิล ก, การได้เร็วขึ้นอีกคราวนี้ก็สบายแล้วไม่จำเป็นจะต้องเดินต่อไปจนถึงเทือกเขาพระศิวะ